ตอนที่สีบห้านางก็กลับมาเกิดใหม่เช่นกันหรือในที่สุดเขาก็ยอมตอบคาถามของนางอย่างจริงจังเสียทีเยีเยาวพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ขุนมัวที่ค้างคาอยู่ในอกลงไปอย่างสุดความสามารถนางนึกตําหนิตัวเองอยู่ในใจจะถามก็ถามไปสิจมือบอลไปทําไมจะลากเขาเข้ามาใกล้ทําไมดูเถิดปล่อยให้เขาช่วยโอกาสจนได้แล้วใจจะเต้นแรงทําไมกันเต้นโครมุมครามแบบนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นนักหนาเยี่ยยวเ อ, เ อ, เอเย๋ยย่ยวเจ้าช่างไม่ได้ความเอาเสียเลย นางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลับตาลงเพื่อสงบสติอารมณ์ยังไม่ทันจะได้อ้าปากพูดก็ได้ยินลินเซิลกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าเคยไปล่วงเกินนางตอนไหนหรือไม่นั้นลินเซิลเดาะลิ้นคำพูดนี้ช่างฟังดูคุ้นหูเหลือเกินไม่ใช่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนประโยคนี้เป็นบทพูดที่เขาเอาตะแขวนไว้บนริมฝีปากหรอกหรือลินเซินพันหัวรอออกมาเบาๆก่อนจะโน้มตัวเข้าไปใกล้ด้วยท่าทางหยอกเย้าเต็มที่ กงเกวียนกำเกวีนแท้ๆในที่สุดก็ถึงตายเยๆถามค่าประโยคนี้แล้วหรือเยียเยาชะงักไปเมื่อได้สตินางแทบจะกระอกเลือดพ่นใส่หน้าเขานางโกรธจนต้องผลักเขาออกไปอีกครั้งจะพูดก็พูดไปสิจะเข้ามาใกล้ทําไมากันลินเซิร์นแบมือทั้งสองข้างออกเมื่อครูเจ้าเป็นคนดึงข้าไปเองนะเข้ามาใกล้กว่านี้อีกข้าก็นึกว่าเยาชอบเสียอีกเยียเยานางอยากค่าคนนักลินเซินเห็นถ้าไม่ดีจึงยอมรามือและปรับสีหน้าให้จริงจัง ก่อนที่ฝาบาท จ, จะพระราชทานสมรสเจ้ากับชิงจีแทบไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยย่อมไม่มีโอกาสไปล่วงเกินนางได้บางทีนางอาจจะแค่ทําตัวเป็นเด็กๆมีอารมณ์ขุนเคืองบ้างคงไม่มีความหมายลึกซึ้งอะไรหรอกนิสัยเด็กๆใหญ่ผู้หญิงบ้าคนนั้นนั่นน่ะ น, นิสัยเด็กๆ เ, เสี้ยชิงจือช่างเสแสซงเก่งกาดนักซ่อนทาตแท้ของตนเองไว้ได้อย่างไม่ชิดเหลือเกินแต่คําพูดของหลิงเซินกลับช่วยเตือนสติของนาง ก่อนหน้านี้หลิงเซินก็เคยได้ถามนางซ้ําๆว่าไปล่วงเกินนางตอนไหนนั้นเป็นพระเ ย, ย่ยังมีความทรงจําจากชาติก่อนแต่ไม่สามารถพูดออกมาตรงๆได้หรือว่าเซี่ยชิงจือก็เป็นเช่นนั้นนางก็มีความทรงจําจากชาติปางก่อนนางก็กลับมาเกิดใหม่เช่นกันความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวประดุดระเบิดลูกใหญ่ที่ถูกโยนลงมากลางใจเย่ ย, ยาวทําเอานางอึ้งจนทําอะไรไม่ถูกในพริบตาจริงด้วยในไม่น า, นางกลับมาเกิดใหม่ได้เหตุใดคนอื่นจะทําไม่ได้เล่า หากไม่ใช่การกลับมาเกิดใหม่จะอธิบายความแค้นที่เซียชิงจือมีต่อนางและจวนกัวกงได้อย่างไรชาติก่อนนางยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เป็นซื่อจื้อเฟยของหลินเซินถึงขั้นวางยาเขาแต่น่าเสียดายที่หลินเซินไร้น้ำยาขนาดโดนวางยาก็ยังไม่ได้เรื่องเมื่อเซียชิงจือล้มเหลวนางจึงใช้วิธีการชั่วร้ายโดยใช้เยี่ยวยาเป็นตัวนำยาเพื่อรักษาหลินเซินคิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะกลับตลับปัดกลายเป็นเยี่ยวยาวที่ได้ตำแหน่งซื่อจื้อเฟยไปครอง ในช่วงที่เย่เยาตั้งคันนางจึงคอยหาเรื่องและตั้งตนเป็นศัตรูทุกวิถีทางพระเย่เยาแย่งชิงตำแหน่งซื้อจื้อเฟยที่ควรจะเป็นของนางไปเมื่อกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนางยังไม่ทันได้วางแผนขึ้นสู่ตำแหน่งซื้อจื้อเฟยใครจะรู้ว่าหลิงเซินกลับเป็นฝ่ายทูลขอราชโอการพระราชทานสมรสเสียเองและต้นเหตุก็ยังคงเป็นเย่เยาทั้งนี้แคนในชาติก่อนและนี้ใหม่ในชาตินี้มีหรือที่เซี่ยชิงจือจะไม่เคียดแค้น แต่ก็มีจุดที่ไม่ถูกต้องลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิมนั่นมันเรื่องเมื่อครึ่งปีก่อนแล้วนี่หรือว่าเสี้ยชิงจือจะกลับมาเกิดใหม่ตั้งแต่ครึ่งปีก่อนแล้วในเมื่อนางกลมความได้เปรียบมานานขนาดนี้เหตุใดจนถึงป่านนี้นางยังไม่ได้เป็นเืี้ยจื้อเฟย อ, อีกเยี่ยยเอาตกอยู่ในความสับสนย้อนแยง้งโดยไม่รู้ตัวเลยว่าหลินเซินได้เล่าสังเกตสีหน้าของนางอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นนางเดี๋ยวก็ดูหวาดกลัวเดี๋ยวก็ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็ดูไม่เข้าใจใบหน้าเล็กๆนั้นสแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างมีชชีีววิิตาเเหลือกน เครื่องหน้าทั้งห้าดุ่งดงามและเปลี่ยนไปด้วยสเสน่หลินเซินไม่อยากจะขัดจังหวะนางเลยจริงๆแต่สุดท้ายความอยากรู้อยากเห็นก็มีชัยเหนือกว่าจนต้องเอ่ยปากถามออกมาเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่เยี่ยยเอาสะดุ้งยงเมื่อได้สติจึงนึกขึ้นได้ว่ายังมีหลินเซินอยู่อีกคนนางรีบเก็บความตื่นตระหนกในแววตาและสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เพียงเล็กน้อยนี้ไม่รอดพ้นสายตาของหลินเซินไปได้แม่นางน้อยคนนี้ไม่เพียงแต่ฉลาดแต่ยังมีความสามารถในการควบคุมตัวเองที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักเยี่ยยาไม่มีอะไรแค่กำลังคิดว่าในอดีตเคยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับลูกพี่ลูกน้องของท่านบ้างหรือไม่หรืออาจจะไปล่วงเกินนางโดยไม่ตั้งใจเข้านางตอบออกไปอย่างราบเรียบปล่อยให้เรื่องราวผ่านไปเช่นนั้นอารมณ์ของนางกลับมาสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้วหลินเซินเลิกคิ้วสูงแววตาฉายแววชื่นชมออกมาวูบหนึ่ง ความสามารถในการควบคุมตัวเองช่างดีเลิศนักจริงด้วยตอนนี้เหลือแค่สายลับคนนั้นที่ยังจับไม่ได้ใช่หรือไม่ไม่ยังมีมือสังหารอีกคนที่หนีไปได้คืนนั้นที่ฆ่าตามไปที่วัดร้างมีสองคนมาขวางทางตายไปหนึ่งหนีไปหนึ่งลินเซิร์นกล่าวจบก็กำชับต่อว่าแม้สายลับคนนั้นจะถูกฆ่าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัตลุกจากเตียงไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่เวลาเจ้าออกไปข้างนอกก็ยังต้องระวังตัวให้ดีเย่ยงเงยหน้าขึ้นอย่างประหลาดใจ ท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าจะออกไปข้างนอกหลินเซินยกยิ้มมุมปากอย่างมีเล่สนายโดยไม่ตอบคําถามเย่เย่ก็คร้านจะซักไซจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหากท่านจับพวกเขาได้ช่วยบอกข้าสัตว์คําได้หรือไม่คราวนี้เป็นหลินเซินที่ประหลาดใจแทนข้าเป็นถึงซื่อจื่อผู้สูงศักด์เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ยังต้องมารายงานเจ้าอีกหรือเย่เย่หัวเราะออกมาท่านคิดมากไปแล้วข้าเพียงแต่ยังมีบางอย่างอย่ า, ยาจะถามพวกเขาถามอะไร นั่นเป็นเรื่องที่จะถามพวกเขาไม่ใช่ถามท่านหลิงเซินหน้าแตกยับเยินแต่ก็ไม่ได้ถือสานางก็ได้จับได้เมื่อไหร่ข้าจะส่งคนมาบอกเจ้าเมื่อได้รับคําตอบยืนยันจากเขาเยี่ยาวก็หลับตาลงแล้วเอ็นกายพิงเก้าอี้หวายตามเดิมไม่มีอะไรแล้วท่านไปเถิดหลิงเซินเขาเป็นแมวหรือสุนัขที่เชื่องและเรียกง่ายใช้คล้องสั่งให้มาก็มาสั่งให้ไปก็ไปอย่างนั้นหรือศักดิ์ศรีของซื่อจื่อผู้นี้ไม่เหลือแล้วหรืออย่างไร แต่เย่ยัไม่เปิดโอกาสให้เขาได้อ้าปากพูดเลยเจียนเจียไปลู่ส่งแขกสาวใช้ทั้งสองปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกับมีเวทมนต์คุณหนูเพิ่งหายจากอาการป่วยหนักต้องการพักผ่อนแล้วเจ้าค่ะเชิญซื่อจื่อเถิดเจ้าค่ะลินเซินรู้สึกอึดอัดใ จ, จนักสาวใช้สองคนกับเย่ยอีกหนึ่งล้วนเป็นสตรีทั้งสิ้นเขาจะไปถือสาหาความกับสตรีได้อย่างไรจริงอย่างที่ท่านปรากล่าวไว้ไม่มีผิด มีเพียงสตรีและคนพันเท่านั้นที่เลี้ยงดูได้ยากยิ่งเรื่องแจกทานรงทานค่าชำนาญนักหากต้องการความช่วยเหลือก็มาหาซื่อจื่อผู้นี้ได้หลินเซินทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งก่อนจะเดินจากไปอย่างสง่างามเย่เยาตั้งแต่วันที่พบเขาที่หอทิงเสวียเยี่เยาก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้คงปิดบังเขาไม่ได้มีหน้าเล่าเขาถึงรู้ว่านางจะออกไปข้างนอกเขารู้ก็รู้ไปเถิดไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร อย่างไรเสียหากมีซื่อจื่อคอยช่วยเหลือบางทีเรื่องราวอาจจะจัดการได้ง่ายขึ้นมากนางบิ๊กขี้เกียจท่ามกลางแสงแดดพลิกตัวนอนในท่าที่สบายที่สุดแต่ดวงตากลับลืมโพลงขึ้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องสื่อให้แน่ชัดว่าเซียชิงจือได้กลับมาเกิดใหม่เหมือนกับนางจริงหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจริงเรื่องนี้คงยุ่งยากลําบากใจแน่แต่หากไม่ใช่นางก็ต้องหาวิธีสื่อให้รู้ว่ายายผู้หญิงบ้าคนนี้ต้องการจะทําอะไรกันแน่ เสีย้ยชิงจือถูกพากลับไปยังจวนสิ้นอองแม้จะกินยาพิษเข้าไปในปริมาณมากแต่ท่านหมอหลี่ที่เคยรักษาหูหญิมถ้ามีเทียบยาถอนพิษอยู่แล้วเที่ยงผ่านไปคืนเดียวเสีย้ยชิงจือก็ฟื้นคืนสติและพ้นขี่อันตรายการอาวาดของนางในครั้งนี้ทําให้พวกขุนนางฝ่ายตรวจสอบผุบปากลงได้จริงๆไม่มีใครกล้าเ อ, อ่ยปากตําหนิสิ้นอองอีกแม้แต่ครึ่งคําสิ้นอองถือโอกาสนี้ระบายความอัดอั้นตันใจในราชสำนักซึ่งก็ไม่มีใครกล้าคัดค้าน ฟาบาดตรัสคำหวานปลอบโยนเขาเสียยกใหญ่ทั้งยังพระราชทานสมุนไพรล้ำค่ามากมายให้เสี่ยชิงจือเพื่อบำรุงร่างกายและยังชมเชยว่านางเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเยี่ยาฟังแล้วก็ได้แต่หัวเราะยะคนเราทําผิดแล้วออกมายอมรับผิดมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือเหตุใดจึงกลายเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การยกย่องไปได้ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือการที่ฟาบาดพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ยิ่งเป็นการส่งเสริมอํานาจบารมีของสิ้นอ๋องให้พุ่งทยานขึ้นจนเขาบังอาจกล่าววาจะโจมตีพ่อลูกประกูลเย่อ ย, ยครั้ง เมื่อเรื่องราวบานปลามาถึงขังน้นนี้เดิมทีตระกูลเย่ยก็ต้องการให้เรื่องจบลงโดยเร็วและจําต้องไว้หน้าฝ่าบาทจึงได้แต่ยอมอดทนอัดกลั้นเอาไว้แต่เย่เ ย, ยารู้ดีว่าด้วยนิสัยวู่วามของสิ้น อ, อ๋อเขาจะต้องได้ใจจนรุขึ้นหนักกว่าเดิมและลำพองใจในความปรดปรารอย่างแน่นอน